ต่อไปนี้จะพูดธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเพื่อจะได้ดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นเองถ้าเราเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราอันนี้เรียกว่าเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราเพราะเวลาเรามาเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาแม้แต่ร่างกายที่เรามีอยู่กันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นของเรา เป็นของพ่อแม่พ่อแม่ผลิตร่างกายนี้ให้กับเราเรามาครอบครองร่างกายนี้ชั่วขณะที่ร่างกายนี้ยังหายใจได้อยู่พอร่างกายนี้หยุดหายใจร่างกายนี้ก็จะจากเราไปไม่ได้เป็นของเราดังนั้นเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้อง คือต้องเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจถ้าเราไปเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราคนนั้นคนนี้เป็นของเราเราจะต้องทุกข์ใจทันทีเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้คนนั้นหรือคนนี้จะต้องจากเราไป ถ้าเราไม่เขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเข้าไปนี่เป็นความจริงง่ายๆที่พวกเราควรที่จะ เ, เข้าใจแล้วควรที่จะนํำมาไปปฏิบัติให้ได้เปลี่ยนทิฏฐิของเราเสียเปลี่ยนความเห็นผิดของเราที่ไปเห็นว่า ของนั้นของนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นของเราเพราะเราก็รู้อยู่เวลาเวลาเรามานี่เราไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเลยร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราร่างกายนี้เป็นของพ่อแม่ก็เห็นได้ชัดอยู่ใครเป็นคนสร้างร่างกายนี้ให้กับเราถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราจะมีร่างกายนี้ได้อย่างไร เราเป็นใครเราคือใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่เป็นดวงวิญญาณตอนที่ไม่มีร่างกายตอนที่เราไม่มีร่างกายดวงวิญญาณก็จะล่องลอยไปหาร่างกายอันใหม่พอไปเจอร่างกายอันใหม่ของพ่อแม่คุณใหม่พ่อแม่สร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมา ใจที่เป็นดวงวิญญาณก็ไปเกาะติดอยู่กับร่างกายอันใหม่แล้วพออยู่ในท้องแม่ได้เก้าเดือนก็ออกจากท้องแม่ออกมาใจมากับร่างกายอาศัยร่างกายเป็นตัวพาให้ใจมาอยู่ในโลกนี้ได้ถ้าใจไม่มีร่างกายใจก็จะไม่สามารถมาอยู่ในโลกนี้มาทําอะไรต่างๆ ในโลกนี้ได้ใจอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือที่พาให้ใจไปทำอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายพาไปดูพาไปฟังพาไปกินพาไปดื่มพาไปเที่ยวพาไปซื้อของไปซื้อของต่างๆไปครอบรองของต่างๆของบางอย่างก็ไม่ต้องซื้อ เที่ยนที่ดินสมัยก่อนไม่มีใครเป็นไม่มีใครจับจองไม่มีใครเป็นเจ้าของเราก็ไปจับจองเป็นของเราเราชอบไปจับจองของต่างๆให้มาเป็นของเราพอเวลาเรามีของต่างๆเราจะรู้สึกว่ามีความสุขมีที่ดินเราก็มีความสุขมีทรัพย์สมบัติ ข้าวของเงินทองต่างๆเราก็มีความสุขกันแต่เราลืมไปว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นของเราชั่วคราวพอไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องจากเขาไปถ้าเราไม่จากเขาไปเขาก็ต้องจากเราไปนะนะนี่แหละความสุขใจความทุกข์ใจของพวกเรา อยู่ตรงนี้ความทุกข์ใจของพวกเราอยู่ตรงที่ไปหลงไปคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นของเราไปคิดว่าร่างกายเป็นของเราก็เลยต้องไปทุกข์กับร่างกายของเราเวลาร่างกายแก่เราก็ทุกข์กันเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์กันเวลาร่างกายจะตายก็ทุกข์กัน พอเราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรานั่นเองแล้วเราจะทำไงถึงจะเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราเราก็ต้องไปดูที่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของเราเราเข้ามาในโลกนี้ได้อย่างไรเราก็เข้ามาในโลกนี้ด้วยการ ไปได้ร่างกายที่พ่อแม่สร้างขึ้นมานี้พอร่างกายของพ่อแม่เริ่มเก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเราที่เป็นดวงวิญญาณเป็นผู้รู้ผู้คิดนี้ก็ไปเกาะติดอยู่กับร่างกายเห็นไหมผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่เป็นสมบัติของของตนเลยมีท่านแลกก็มาได้ร่างกายจากพ่อแม่ พอได้ร่างกายของพ่อแม่พอข้อออกมาก็ให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงให้เจริญเติบโตขึ้นมาพอเจริญเติบโตขึ้นมาพอจะทำอะไรเองได้ก็เริ่มไปทำอะไรเองอยากจะได้อะไรก็ไปหามาเองเลยบางทีก็ให้พ่อแม่ช่วยหาให้ถ้ายังไม่มีความสามารถที่จะหาเองได้ ก็ให้พ่อแม่ช่วยหาให้ก่อนตอนเป็นเด็กอยากได้อะไรก็ขอให้พ่อแม่ขอหาให้อยากได้ของเล่นอยากได้อะไรต่างๆก็ให้พ่อแม่หามาได้หามาแล้วเราก็ได้ของต่างๆที่เราอยากได้แล้วเราก็ไปเรียกว่าเป็นของเราพอเวลามันเป็นอะไรไปเราก็เสียใจเห็นไหมขนาดเด็กตัวเล็กๆยางร้องห่มร้องไห้เสียใจ เวลาตุกตาหายไปเนี่ยร้องไห้เพราะไปคิดว่าเป็นของเราถ้าไม่เป็นของเราเราจะไม่รู้สึกเสียใจของที่เป็นของคนอื่นนี่เราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเป็นของคนอื่นแล้วมันไม่ให้ความทุกข์กับเราเลยพออะไรมาเป็นของเราขึ้นมา มันจะทำให้เราทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีดังนั้นเราต้องคอยเตือนใจสอนใจเรือ่อยๆว่าเรามาตัวปเปล่าๆแล้วเวลาเราไปเวลาที่เราแยกออกจากร่างกายเราก็ไปตัวปเปล่าๆเราไม่เอาอะไรติดตัวไปกับเราเลยสมบัติแม้แต่ชิ้นเดียวก็เอาไปไม่ได้เงินแม้แต่ บาทหนึ่งก็เอาไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราเอาไปไปดูคนตายเนี่ยคนตายก็คือตอนที่เขาไปจากโลกนี้แล้วดวงวิญญาณเขาออกจากร่างกายไปแล้วก็เขาเป็นมหาเศรษฐีเขาก็เอาไปไม่ได้เขาเป็นประธานาธิบดีเขาก็เอาอะไรไปไม่ได้เขาเป็นนายกรัฐมนตรี เขาก็เอาอะไรไปไม่ได้ทุกคนเวลาไปนี้ไปเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นประธาน า, าธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหาเศรษฐีเป็นคนธรรมดาเป็นขอทานเวลาไปไปเหมือนกันไปตัวเปล่าๆ เ, เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ เวลามาก็มาเหมือนกันมาตัวเปล่าๆมาแล้วก็มาได้ร่างกายเหมือนกันเพียงแต่ว่าร่างกายที่ได้มันมีคุณค่าราคาต่างกันเท่านั้นเองถ้้ไปได้ลูกของได้ร่างกายของลูกเศรษฐีก็ได้เป็นลูกเศรษฐีถ้้ไปได้ร่างกายของลูกพระเจ้าแผ่นดินก็ได้เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินถ้าได้ร่างกายของ ลูกของขอทานก็ได้เป็นลูกขอทานเวลามาก็มาเหมือนกันได้ร่างกายเหมือนกันเพียงแต่ว่าร่างกายที่ได้นี้มีคุณค่าต่างกันนั่นเองถ้าได้ร่างกายของลูกของพระเจ้าแผ่นดินก็ได้เป็นพระราชโอรสมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไป ถ้าได้ร่างกายของขอทานลูกขอทานก็จะต้องเป็นขอทานไปเรื่อยๆจนกว่าจะสามารถพัฒนาสร้างฐานะขึ้นมาใหม่ได้บางคนเป็นลูกขอทานแต่ก็มีความพยายามมีความทะเยอทะยานที่จะเปลี่ยนฐานะของตนก็โดยการไปเรียนหนังสือไปโรงเรียน หรือไปทำงานไปหางานหาเงินหาทองคนบางคนเป็นลูกขอทานแต่สามารถสร้างตัวเองให้ขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีก็ได้แต่ไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรพอเวลาตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยแล้วเวลาอยู่ก็ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่เพราะไปหลงคิดว่าเป็นของเรา ถ้าไม่ได้ไปคิดว่าเป็นของเรานี้เราจะไม่ทุกข์เลยเปรียบเทียบไม่ฟังเวลาลูกของคนอื่นเขาเป็นอะไรเราทุกข์ไหมลูกคนอื่นจะดีจะชั่วอย่างไรเราทุกข์หรือเปล่าลูกของคนอื่นจะเกเรจะไปติดยาเสพติดจะไปเที่ยวกลางคืนจะไปะสามสอนจะไปทำอะไรต่างๆเสียหาย ถ้ามันไม่ได้เป็นลูกของเราแล้วเรารู้สึกอย่างไงเฉยเฉยไม่เดือดร้อนเลยแต่พอเราไปคิดว่าเป็นลูกของเราขึ้นมาทีนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยพออะไรเป็นของเราขึ้นมาพอเขาเป็นอะไรไปก็ทำให้เรานี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่แหละการกินไม่ได้นอนไม่หลับนี้ก็คือความทุกข์ใจนี่ ทุกพะไปถือว่าเป็นของเราบ้านนี้ถ้าเป็นบ้านของคนอื่นไฟจะไหม้บ้านเขาเราก็ไม่เห็นทุกข์กับเขาน้ำจะท่วมบ้านเขาเราก็ไม่ทุกข์กับเขาแต่พอเป็นบ้านเรานี่ทุกข์ขึ้นมาทันทีเพียงแต่คิดว่าน้ำจะท่วมเท่านั้นยังไม่ท่วมเลยก็ทุกข์แล้วเพราะว่าเราไปถือว่ามันเป็นของเรา นี่แหละคำตอบง่ายๆของชีวิตก็คือถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็อย่าไปถืออะไรว่าเป็นของเราเพราะไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปหรือถ้าเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปกลายเป็นของคนอื่นไปเห็นไหมทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวเวลาเราตายไปมันยังเป็นของเราอยู่หรือเปล่า มันไม่เป็นแล้วมันเป็นของคนอื่นนั่นแ่ะไม่ว่าจะมีอะไรมากมีน้อยเท่าไหร่พอตายไปนี่เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยเั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเราพยายามนึกถึงความตายอยู่เรื่อยเพราะความตายนี้มันจะคอยเตือนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเรานะ่ะพาว่าเวลาเราตายนี่เราเอาอะไรไปกับเราไม่ได้เลย นี่แหละคือเรื่องของความทุกข์ของพวกเราทุกคนที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ง่ายๆแต่ไม่ยอมแก้กันไม่ยอมคิดว่าไม่ได้เป็นของเราไม่ยอมคิดว่าเป็นของเราชั่วคราวไม่ยอมคิดว่ามันจะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งและบางทีเราก็ห้ามมันไม่ได้ด้วย เวลามันจะจากไปนี่เราก็ห้ามมันไม่ได้เราจะไปกําหนดว่าอ่าเราจะอยู่ถึงอายุแปดสิบเก้าสิบปีแล้วค่อยยกของต่างๆให้คนอื่นไปก็กําหนดไม่ได้วันดีเกินดีอาจจะตกเครื่องบินตายก็ได้บางิีวันดีเกินดีลดอุบัติเหตุลดความตายก็ได้จมน้ําตายก็ได้มีอะไรตายได้หลาย แบบหลายวิธีด้วยกันคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดไม่ไปถือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นของเราพระพุทธเจ้าบอกสัพเพธรรมานตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นของเราทรัพย์ม ส, สมบัติข้าวของเงินทอง ก็ไม่ใช่เป็นของเราสามีภรรยาก็ไม่ใช่เป็นของเราลูกก็ไม่ได้เป็นของเราอะไรต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี่ถ้าเราถือว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วใจเราจะสบายใจเราจะโล่งจะเบาอกเบาใจทุกวันนี้ที่เราหนักอกหนักใจกันก็เพราะไปคิดว่ามันเป็นของเรา เวลาเราหนักอกหนักใจกับเรื่องอะไรเราก็เอาของคนอื่นมาเปรียบเทียบดูสิเอ๊ะเราหนักอกหนักใจกับบ้านของเราแต่ทําไมบ้านของคนอื่นทําไมเราไม่หนักอกหนักใจด้วยมันต่างคนต่างหน่อยบ้านก็บ้านเหมือนกันเป็นวัตถุเหมือนกันเอตั้งอยู่บนที่ดินเหมือนกันทําไมเราไม่ไปทุกข์กับบ้านของเขา ทำไมเรามาทุกข์กับบ้านของเรารก็เพราะว่ามันของเรานั่นเองถ้าเป็นของเขามันก็ไม่ทุกข์ถ้าเป็นของเราแล้วก็ทุกข์เนี่ยเถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็เปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนทัศนคติของเราเท่านั้นเองก็เปลี่ยนได้ว่ามันไม่ได้เป็นของเรารไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องไม่เป็นของเรารมันอาจจะจากตอนที่เรายังไม่ตายก็ได้่า มันอาจจะกลายเป็นของคนอื่นไปก็ได้บางทีธรร ม, มาค้าขายธุรกิจตกต่ำเศรษฐกิจตกต่ำขาดทุนมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็อาจจะต้องถูกเขายึดไปก็ได้ถ้ามีหนี้มีสินถูกเขาฟ้องล้มละลายมีเงนินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีข้าวของอะไรต่างๆก็โดนเขาฟ้องล้มละลายไปหมด ภรรยาสามีลูกบางทีก็ทิ้งเราไปก็ได้เพราะว่าเราไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้นะอยู่กับเราเขาก็อดตายเขาก็ต้องไปไปหาคนอื่นไปหาวิธีอื่นอยู่นี่ให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้สบายใจเราจะได้ปล่อยวางพราะนี่คือความจริงของโลกนี้ แต่เราไม่ยอมคิดกันเพราะเราถูกสอนแล้วว่าคิดแบบนี้เป็นการคิดแบบไม่ถูกต้องคิดแบบนี้แล้วทาให้เราทุกข์ความจริงมันไม่ทุกข์เราที่มันทุกข์เพราะว่ามันมันมันบังคับให้เรามองความจริงกันนั่นเองเราไม่ชอบมองความจริงกันพอเราต้องมองความจริงกันเราก็เลยทุกข์ ทุกเพราะเราไม่อยากมองไม่ใช่อะไรหรอกแต่ถ้าเราผ่านความทุกข์อันนี้ได้ยอมมองความจริงอยู่เรื่อยๆต่อไปความทุกข์ต่างๆมันจะหายไปหมดเลยฉนั้นให้เรามีความกล้าหาญที่จะกล้ามองความตายกันกล้าคิดถึงความตายกันกล้าคิดถึงการพัดพากจากกัน ให้คิดอยู่เ ร, ยเรื่อยเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองของเราต่อสิ่งต่างๆที่มีอยู่ที่เรามีอยู่ในขณะนี้เปลี่ยนไปให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายแต่ทำยังไงถึงจะทำให้เราคิดอย่างนี้ได้เราก็ต้องมา หยุดความคิดอันเก่าก่อนความคิดอันเก่านี้มันมีกำลังมากเราชอบคิดว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเราสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราคนนั่นคนนี้เป็นของเราเวลาได้เขามาแล้วเรามีความสุขมันจะคิดแบบนี้แต่มันไม่คิดว่าเวลาที่เราเสียไปแล้วเราเป็นยังไงเห็นคนร้องห่มร้องไห้ไหม น้องเพราะอะไรน้องเพราะสูญเสียสิ่งที่เป็นของเขาไปไม่ใช่เหรอทำไมไม่มองให้เห็นว่าทุกคนจะต้องมีการสูญเสียต้องมีการพัดพากจากกาันเป็นธรรมดาวิธีที่จะทำให้เราเปลี่ยนทัศนคติได้เราก็ต้องเปลี่ยนความคิดของเราการที่จะเปลี่ยนความคิดแบบเก่าได้เราก็ต้องหยุดมันก่อน หยุดความคิดแบบเก่าเหมือ น, นกับเวลาที่เราขับรถไปทิศ ท, ทางหนึ่งแล้วเราอยากจะกลับรถเรากำลังขับไปทางเหนือแล้วเราเปลี่ยนใจอยากจะกลับลงไปทางใต้เราก็ต้องกลับรถก่อนที่จะกลับรถเราก็ต้องหยุดรถก่อนพอหยุดรถแล้วเราถึงจะได้เลี้ยวรถกลับไปอีกทางหนึ่งได้ ความคิดของเราก็เหมือนกันตอนนี้ความคิดของเราจะคิดไปในทางว่าเป็นของเราทั้งนั้น<ำ>พอได้อะไรมาปั๊บนี่จะถือว่าเป็นของเราทันทีแล้วก็พอเป็นของเราแล้วก็อยากจะให้เป็นของเราไปเรื่อยๆจะไม่อยากให้มันจากเราไปแต่มันเป็นไปไม่ได้ตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงไม่ว่าจะได้อะไรมาได้มากได้น้อย ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปหรือมันไม่จากเราไปเราก็ต้องจากมันไปแต่เราไม่ยอมคิดอย่างนี้กันเราจะคิดตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเสมอเราจึงต้องมาฝึกมาควบคุมความคิดใหม่มาเปลี่ยนความคิดใหม่วิธีที่จะเปลี่ยนความคิดใหม่ได้ก็ต้องหยุดความคิดเก่าก่อนอย่าไปคิดในแบบเดิมพอเราหยุดความคิดแบบเดิมได้แล้ว ทีนี้เราก็จะได้มาสอนใจให้คิดในแบบใหม่ได้เนี่ยนี่แหละคือการปฏิบัติส ม, มถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเนี่ยมีสองขั้นตอนเห็นไหมขั้นตอนแรกก็คือให้หยุดความคิดแบบเก่าก่อนส ม, มถะภาวนาทําใจให้สงบหยุดความคิดเก่าๆที่เราเคยคิดกันคิดว่าอันนั้นเป็นของเราคิดว่านี่เป็นของเรา พอเราหยุดความคิดได้แล้วทีนี้เราก็จะสามารถสั่งให้มันคิดไปในทางใหม่ได้พอเราสั่งให้มันคิดไปในทางใหม่เราก็เรียกว่าวิปัสนาคิดไปในทางความจริงวิปัสนาก็คือความจริงความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอย่างในโลกนี้ก็คือมันไม่มีเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของใจของดวงใจของทุกคนที่มายึดมาติด ของต่างๆนี้มันไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้เป็นได้ก็ชั่วคราวชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่พอตายไปแล้วสมบัติต่างๆที่หามาได้ครอบที่ได้มาครอบครองนี้กลายเป็นของคนอื่นไปหมดนี่ยนีอพระพุทธเจ้าที่ให้สอนให้พวกเรามาปฏิบัติ อสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนานี่ก็เพื่อที่จะมาแก้ความหลงแก้ความเห็นผิดนทัศนคติมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด เ, เห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราจะแก้ได้ก็ต้องหยุดความคิดเก่าก่อนเราจึงต้องมาฝึกสติกัน เ, นเพราะสตินี้เป็นเบรกของความคิด ไม่มีอะไรจะหยุดความคิดได้นอกจากสติสตินี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นธรรมที่สําคัญที่สุดในโลกในบรรดาธรรมทั้งหมดสิ่งสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดเพราะไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถควบคุมใจได้ไม่สามารถสั่งให้ใจเปลี่ยนทิศทางการคิดได้เหมือนกับรถยนต์นี่ เบรกนี้สําคัญไหมมีใครขับรถแล้วไม่มีเบรกไหมถ้าไม่มีเบรกนี้มีใครกล้าขับรถกันไหมนี่ถ้าถามว่าอะไรสําคัญที่สุดในรถยนต์เนี่ยต้องบอกว่าต้องมีเบรกถ้าไม่มีเบรกต่อให้มีรถเครื่องยนต์กี่ซีซีเอมีความเร็วขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีเบรกไม่มีใครซื้อหรอก ลาอคาให้มีกี่ล้านสิบล้านสามสิบล้านวิ่งได้เร็วขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าบอกรถคันนี้ไม่มีเบรก ค, คุณจะซื้อไหมไม่ซื้อหรอกมไม่มีอะไรสาคัญเท่ากับเบรกของรถยนต์ฉันใดก็ไม่มีอะไรสาคัญเท่ากับเบรกของความคิดเบรกของจิตใจ<ม>ก็คือสตินะ<ม>แต่ปัญหาของพวกเราก็คือเราไม่ค่อยมีเบรกกัน มีบ้างแต่ไม่ไม่มากพอพอที่จ ะ, อ, ะอยู่ไปแบบถูถายไปได้แต่จะให้อยู่แบบไม่มีความทุกนี้ยังไม่พออยู่แบบสามวันดีสี่วัน่ายได้อยู่สามวันสุขสี่วันทุกได้อยู่แต่จะให้อยู่แบบสุขไปตลอดไม่มีทุกนี้ยังอยู่ไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีเบรก ไม่มีสติที่มีกำลังมากพอที่จะหยุดความคิดที่คิดไปในทางทางทุกขได้นั่นเองดัง <Yeah. S 1> นั้นเราจึงต้องมาฝึกสติมาสร้างสติกัน <Yeah. S 1> อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการาเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดความเห็นเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิจากมิจฉาทิฏฐิไปสู่สัมมาทิฏฐิ <Yeah. S 1> ต้องเปลี่ยนด้วยสติ yeah. ต้องหยุดความคิดเก่าต้องหยุดมิจฉาทิฏฐิก่อนหยุดความคิดแบบเดิมความคิดที่ว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตานี้ต้องหยุดมันให้ได้ตอนนี้เราเห็นอะไรเรามักจะคิดว่าเป็นสุขขังกันเห็นอะไรสวยๆงามๆที่เขาขายตามร้านนี่มีใครไม่อยากได้บ้างไม่มีไปเดินห้างนี้มีแต่อยากได้กันทั้งนั้นเห็นข้าวของที่เขาโชว์อยู่ในร้านค้านี่ เห็นแล้วก็น้ำลายไหลอยากได้เพราะว่าไปคิดว่ามันเป็นสุขขังสุขขังแล้วก็คิดว่ามันเป็นนิจจังคือมันจะไปให้ความสุขกับเราไปอย่างตลอดจะไม่ให้ความทุกข์กับเราแล้วก็จะคิดว่าเป็นอัตตาเป็นของเราจะเป็นของเราไปตลอดนี่คือทัศนคติที่ฝังอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคน ที่พาให้พวกเรามาเกิดกันก็เพราะตัวนี้แหละที่มีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาแทนที่จะมีทัศนคติว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ที่ไม่มาเกิดในโลกนี้ก็คือผู้ที่มีสัมมาทิฏฐินั่นเองก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านมาเปลี่ยนทัศนคติ ท่านมาเปลี่ยนจากามิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิเริ่มต้นที่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระพุทธเจ้าตอนที่มาเกิดพระพุทธเจ้าก็มีมิจฉาทิฏฐิก็ยังมีความคิดว่าลนะาบยศสรรเสริญสุขที่พระพุทธเจ้าได้มานี้เป็นนิจังสุขขังอัตตา จะมาเปลี่ยนทัศนกติก็ตอนที่ออกไปเที่ยวข้างนอกกว้างตอนที่ลักลอบหนีออกไปเที่ยวนอกกวัางเพราะว่าพระราชบิดานี้ไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองไม่อยากให้พระพุทธเจ้าเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งทั้งปวงไม่อยากให้พระพุทธเจ้าเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายของพระพุทธเจ้าเอง จึงคอยป้องกันไม่ให้พระพุทธเจ้าได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายคนที่จะเข้าไปทำงานในวังนี้ต้องเป็นแต่คนหนุ่มคนสาวคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามคนพิการคนหูหนวกตาบอดคนแขนขาดขาขาดคนแก่คนเจ็บคนไข้นี้ห้ามเข้าไปทำงานในวังพระพุทธเจ้าก็เลยไม่รู้ว่าโลกนี้มี ความแก่มีความเจ็บมีความตายกันทุกคนทีนี่พออยู่ในวังไปนานๆานก็เบื่ออยากจะออกไปนอกกำแพงอยากจะออกไปดูข้างนอกว่ามันสวยงามเหมือนในวังหรือเปล่าดีกว่าในวังหรือเปล่าเพราออกไปก็ไปเห็นภาพของความเป็นจริงของโลกเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วไปรู้ ไปเรียนรู้จากมหาเล็กที่ติดตามไปว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าต่อไปก็จะต้องเป็นแบบนี้ตอนต้นเห็นคนแก่ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยถามว่านี่คือนี่เป็นอะไรเป็นคนนี้ก็เป็นอะไรก็ถึงเป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นคนแก่เขาอยู่มานานแล้วเขามีอายุหกสิบเจ็ดสิบปีร่างกายเขาก็เสื่อมลงเขาก็เป็นคนแก่ ร่างกายของพระองค์ก็เหมือนกันต่อไปก็จะต้องแก่แบบคนนี้แหละนี่คือความจริงที่พระเจ้าได้เรียนรู้ครั้งแรกในชีวิตเลยเกิดมาไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าของเจ้าชายสิทธัตถานี้จะต้องแก่ <c oughs> แล้วพอเดินไปเที่ยวสักพากก็ไปเห็นคนไม่สบายนอนน้องโอดครวครางอยู่หน้าบ้านก็ถามว่าคนนี้เป็นใครเป็นอะไร คนนี้ก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละพอร่างกายแก่แล้วเดี๋ยวก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามีความทุกข์ทรมานเจ็บปวดไปทั่วสพางกา ย, ยก็ต้องร้องโอดควรค้างจะทำอะไรก็ทำไม่ไหวจะไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวตอนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำไม่ได้พระองค์ก็ต้องร่างกายของพระองค์ก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน นี่เป็นบทเรียนข้อที่สองว่าร่างกายแก่แล้วก็ต้องมาเจ็บนะแล้วเดินชมไปสักระยะก็เห็นขบวนแห่ศพมาก็เลยถามว่าเขาแบกอะไรหามอะไรเขาว่าหามคนตายก็คือร่างกายของพระ อ, องค์นี่แหละต่อไปพอมันแก่แล้วพอมันเจ็บแล้วถ้ารักษาไม่ได้เดี๋ยวมันก็ตายมันก็หยุดหายใจ พอหยุดหายใจแล้วทีนี้ก็เก็บไว้ก็ไม่ได้เพราะมันจะเน่ามันจะเหม็นก็เลยต้องเอาไปทําพิธีกําจัดมันะก็ส่วนใหญ่ก็เอาไปเผาไม่ฉะนั้นก็เอาไปทิ้งในป่าช้าเอาผ้าห่อศพแล้วก็ไปทิ้งในป่าช้าให้มันเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติ <c oughs> ร่างกายของพระองค์ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ในวันใดวันหนึ่งะ พอได้เรียนรู้เรื่องของร่างกายของพระองค์ว่าต่อไปจะต้องเป็นแบบนี้ก็เลยเห็นความจริงว่าต่อไปถ้าตายไปแล้วของต่างๆที่เราไปอยู่นี่ก็ไม่ได้เป็นของเราอีกแล้วสิร่างกายเป็นของคนอื่นไปร่างกายที่เป็นของเรามันก็กลายเป็นดินน้ำนมไฟไปก็เลยเห็นความจริงของชีวิต เห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงและขณะที่มีก็จะต้องทุกข์กับมันทุกข์เพราะความกังวลทุกข์เพราะความห่วงทุกข์เพราะความกลัวแต่กลัวอย่างไรทุกข์อย่างไรก็ไปห้ามความจริงไม่ได้ ไปห้ามความแก่ห้ามความเจ็บห้ามความตายไม่ได้พอหลังจากนั้นก็จะเดินกลับวงังระหว่างทางก็เห็นนักบวชเดินผ่านมาก็ถามว่าคนนี้เขาทำอะไรคนนี้เ็าเป็นคนที่จะแสวงหาทางที่จะทำให้เขาไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปพระพุทธเจ้าบอกมีด้วยเหรือทางที่จะพาไม่มากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย ก็มีคนพยายามจะหากันอยู่แต่ยังไม่มีใครหาพบยังต้องกลับมาเกิดกันอยู่ยังต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแต่อย่างน้อยเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเขาอย่างพอที่จะทำให้ความทุกข์ของเขาไม่รุนแรงเพราะเขารู้จักวิธีที่จะทำใจของเขาไม่ให้ทุกข์กับร่างกายได้ชั่วครั้งชั่วคราวคือเขาจะรู้จักการนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้ พอได้ยินอย่างนี้ท่านเลยมีความรู้สึกมีความหวังขึ้นมาว่ า, าถ้ามีการเกิดได้มันก็จะต้องมีการไม่เกิดได้ก็เลยเอาไปคิดพอถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อไปจะอยู่ในวังหรือว่าจะออกบวชเพื่อที่จะไปหาวิธี ที่จะทําให้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายไม่ทุกข์และอาจจะหาวิธีที่จะทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปก็เลยตัดสินใจหนีออกจากวังไปในคืนที่ได้ข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสก็ไม่อยากจะไปดูหน้าลูกก็กวดูแล้วจะอจะทิ้งไม่ได้ พระองค์ทรงบอกว่าเป็นบ่วงพอได้ยินชื่อได้ยินข่าวว่าได้ลูกท่านก็อุทานออกมาว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วราหุลเขาก็เลยตั้งชื่อลูกของพระพุทธเจ้า ว, ว่าราหุลราหุล น, นี่แปลว่าบ่วงคืนนั้นก็เลยต้องหนีออกไปเพราะถ้าอยู่ได้ถ้าณเห็นหน้าลูกก็จะทําให้มีความรักมีความผูกพัน พราเป็นของเราเห็นหน้าลูกแล้วก็ลังคิดว่าเป็นของเราก็เลยไม่ยอมไปไม่ยอมบอกใครเพราะถ้าบอกก็คงจะไม่มีใครจะให้ไปก็เลยต้องหนีไปเหมือนกับตอนที่หนีออกไปเที่ยวนอกวังออกไปนอกวังก็ไม่ได้ออกไปไม่ได้พ่อไม่ให้ออกไปจะออกบวชนี่ พอรู้นี้รับรองได้ว่าไม่ให้บวชอย่างแน่นอนก็เลยต้องหนีไปหนีไปแล้วก็ไปอยู่กับพวกนักบวชหนีไปไกลไกลจากถิ่นฐานบ้านเดิมของพระ อ, องค์จนไม่มีใครรู้ว่าท่านไปอยู่ที่ไหนเพราะท่านไม่บอกใคร คนที่ไปส่งถึงชายแดนชายเขตแดนเขาก็ท่านก็ให้กลับแล้วท่านก็เดินทางของท่านไปตามลำพังไปแสวงหาครูบาจารย์ต่างๆที่กำลังค้นคว้าหาวิธีที่จะทำอย่างไรไม่ให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปและ ทำอย่างไรให้ไม่ทุกข์ไม่ต้องให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายหลังจากที่ได้ศึกษาหลังจากที่ได้ลองปฏิบัติด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ก็เลยต้องศึกษาค้นคว้าหาเองจนในที่สุดก็ค้นพบว่า ความทุกข์ของพระองค์ของทุกคนนี้เกิดจากการที่ไปเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นของเรานั่นเองเป็นอัตตาของเราเป็นสุขขังมันจะให้ความสุขกับเราเป็นนิจจังจะเป็นจะอยู่กับเราเรื่อยๆเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่พระองค์มองด้วยปัญญามองเห็นว่าไม่มีใครเก็บอะไรไว้เป็นของตนได้เลยไม่ช้าก็เร็วพอตายไปนี้ ของต่างๆที่มีอยู่ก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดแม้แต่ร่างกายก็เป็นของถ้าไปทิ้งในป่าชา้าก็เป็นของสัตว์ไปเป็นของแรงกาไปเป็นของไส้เดือบเป็นของตัวนอนไปศพที่เขาไปทิ้งในป่าชา้านี่มักจะถูกแรงกามากัดกินถูกหมามากัดกินถูกนอนมาใช่นี่คือร่างกาย ที่ไม่ได้มีเป็นไม่มีใครเป็นเจ้าของผู้ที่มาเป็นเจ้าของเป็นได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นชั่วคราวก็คืออันนี้จังไม่ถาวรไม่ตลอดเป็นได้ชั่วคราวของทุกอย่างในโลกนี้เป็นของเราได้เพียงชั่วคราวสามีภรรยาก็เป็นของเราได้ชั่วคราวบุตรธิดาก็เป็นของเราได้ชั่วคราว พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราได้เพียงชั่วคราวเห็นไหมเห็นเห็นจากกันไปทีละคนไหมตอนต้นก็พวกที่ปู่ย่าตายายนี่ไปก่อนพอเรามาเกิดเป็นเด็กๆ เ, เราจะรู้จักปู่ย่าตายายแล้วสักพักหนึ่งอยู่ดีๆก็หายไปทีละคนสองคนปู่หายไปไหน ย, าหายไไหน่าหายไปไหนตาหายไปไหนยายหายไปไหน ต่อมาก็เป็นคิวของพ่อของแม่ต่อมาก็เป็นคิวของเราเมันไปกันหมดนไม่มีร่างกายไม่มีร่างกายของแต่ละคนนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของนับภาษาอะไรกับทรัพย์สมบัติของร่างกายที่หามาได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยเราต้องมาทําตามที่พระเจ้าสอนให้เรามาเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ให้เรามาเปลี่ยนความคิดใหม่แล era, ้วพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีให้เปลี่ยนความคิดด้วยเพราะเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าใช้พระพุทธเจ้ามาก่อนก็คิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราคนนั้นคนนี้เป็นของเราแต่ตอนนี้ท่านต้องการเปลี่ยนความคิดท่านก็เลยต้องมาหยุดความคิดเก่าก่อนเลิกคิดแบบเก่าให้มาเปลี่ยนความคิดใหม่เรียกว่าปฏิวัติก็ได้อเปลี่ยน การจะปฏิวัติก็ต้องล้มระบอบเก่าก่อนแล้วค่อยตั้งระบอบใหม่ขึ้นมาในสมัยต่างในต่างประเทศเนี่ยสหรัฐเมื่อก่อนก็นกถูกปกครองด้วยอประมานากษัตริย์ต่อหลังเขาก็มีปฏิวัติมีการล้มระบอบปฏิบัติการอะระบบปกครองเก่าแล้วก็ตั้งระบบปกครองใหม่ขึ้นมาเป็นเสรีนิยมขึ้นมาอืม อันนี้ก็เหมือนกันใจของเราตอนนี้ก็คิดในระบบเก่าถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนระบบใหม่เราก็ต้องลบระบบเก่าออกก่อนเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เนี้ยเวลาเขามีมีปฏิบัติการนั้นใหม่มาเราก็ต้องล้างปฏิบัติระบบเก่าก็ออกไปก่อนแล้วก็ติดตั้งระบบใหม่อันนี้ก็เหมือนกันใจของเรานี่ก็มีความคิดแบบเก่า ใจของเราชอบคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นอะไรแล้วก็อยากได้เพราะคิดว่าได้มาแล้วจะได้จะมีความสุขได้เงินมาแล้วจะมีความสุขได้แฟนมาแล้วจะมีความสุขได้รถเก๋งมาแล้วจะมีความสุขได้มือถือเครื่องใหม่แล้วจะมีความสุขแต่ไม่คิดว่าเวลามันไม่มีแล้วจะเป็นอย่างไร เวลาเขาจากเราไปแล้วเป็นยังไงเวลาเลิกกับแฟนแล้วเป็นยังไงความสุขที่ได้จากแฟนนั้นกลายเป็นอะไรไปในขณะที่ไม่เลิกก็อาจจะไม่มีความสุขอยู่ด้วยกันก็ไม่สุขอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันอะไรกันหรือไม่ฉะนั้นถ้าไม่ทะเลาะกันรักกันก็ห่วงกันอีกห่วงก็ไม่สุขอีกละพอไม่เห็นหน้ากันหน่อยก็วิตกกังวลขึ้นมา น, นี่คือความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการไปคิดว่าเป็นของเราถ้าเราไม่คิดว่าเป็นของเราแล้วเราจะสบายใช่ไหมรถของคนอื่นเราไม่เดือดร้อนเครื่องมือถื อ, อของคนอื่นเป็นยังไงเราไม่เดือดร้อนแฟนของคนอื่นเ้าเป็นยังไงเราไม่เดือดร้อนพ่อแม่ของคนอื่นเขาเป็นยังไงเราไม่เดือดร้อนอันนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ไปคิดว่าเป็นของเรา แล the like ้วทำไมกับไอ้ของที่เป็นของเราเรามาเปลี่ยนมันไม่ได้เหรอของคนอื่นต้องเยอะแยะเราเราไม่คิดว่าเป็นของเราได้ของที่ไม่คิดเป็นของเรานี่เยอะกว่าของที่เราคิดว่าเป็นของเรานะของที่เราคิดว่าเป็นของเรามีไม่กี่ชิ้นท่านนึงแฟนก็คนหนึ่งท่้นเองสามีคนภรรยาคนแต่คนมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเราไม่ไปคิดว่าเขาเป็นของเราแล้วเราไม่ทุกข์กับเขาเลย แต่พอมาคิดถึงคนสองคนที่อยู่ที่เราไปถือว่าเป็นของเราก็ทำให้เราทุกข์แบบทุกวันนะทุกเช้าทุกเย็นทุกบ่ายนะทุกเพราะเป็นความห่วงบ้างทุกเพราะความหวงบ้างทุกเพราะความอิจฉาริษยาบ้างร้อยแปดพันประการทุกข์เนี่ยเกิดจากการที่เราไปถือว่าเขาเป็นของเรา่านั้นเลยเพราะเขาไม่เป็นของเราแล้วหายทุกข์เลยไห พอเขาอยากกับเราเลิกกับเรานี่เขาจะไปนอนกับใครเขาจะไปพูดกับใครเขาจะไปทาอะไรกับใครนี้เราไม่ทุกข์เลยเพราะเราไม่ถือว่าเขาเป็นของเราแล้วแต่พอก็ยังเป็นของเราอยู่นี่โอ้ไม่ได้เขาไปพูดกับคุยกับใครคำสองคำนี้ก็เหมือนกับถูกมีเข็มมาทิ่มแทงเข้าไปในหัวใจนะนี่แหละคือความทุกข์ทุกพอไปพอไปถือสิ่งต่างๆว่าเป็นของเรา เราจึงต้องมาปฏิบัติส ม, มถะภาวนาวิปัสสนากันเราต้องมาเจริญสติกันเบื้องต้นเราต้องหยุดความคิดก่อนหยุดความคิดเรียกว่าส ม, มถะภาวนาหยุดความคิดเก่าๆอย่าไปคิดแบบเก่าอย่าไปคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาอย่าไปคิดว่าเป็นเราเป็นของเราพอหยุดได้แล้วขั้นต่อไปก็มาเปลี่ยนความคิดใหม่ พอเราหยุดความคิดได้เราก็สั่งให้มันคิดไปในทางใหม่ได้เหมือนรถยนต์ถ้ามันวิ่งไปทางเก่าอยู่ถ้าเราจะให้มันกลับมาทางใหม่ถ้าเราไม่หยุดมันเรากลับไม่ได้กลับรถไม่ได้ต้องหยุดรถก่อนหยุดรถแล้วเลี้ยวกลับเราก็สั่งให้มันไปอีกทางหนึ่งได้ถ้าเราสั่งให้ใจหยุดคิดได้เราก็จะสามารถสั่งให้มันคิดไปในทิศทางไหนก็ได้แต่ถ้าเรา สั่งให้ใจหยุดคิดไม่ได้ควบคุมความคิดไม่ได้เราก็จะไปสั่งให้มันคิดไปในทางทางนูน้นทางนี้ไม่ได้มันก็จะคิดไปในทางเดิมมันเคยคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตามันก็จะคิดอย่างนั้นไปเรื่อยเห็นอะไรมันก็จะว่าเป็นสุขขังขึ้นมาเห็นอะไรที่ชอบก็อยากได้เพราะคิดว่าได้มาแล้วจะให้เรามีความสุขเพราะจะอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อย นี่เป็นความคิดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรจะเป็นของเราไปเรื่อยๆไม่มีอะไรจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเราต้องต้องมาฝึกสติก่อนฝึกสติมาหยุดความคิดการนี้เราเรียกว่าส ม, มถภาวนาการหยุดความคิดทำใจให้สงบ การทำใจให้สงบแล้วมันจะทำให้เราได้สิ่งที่เราไม่เคยได้มาก่อนได้ของแท้ของจริงได้ความสุขแท้ความสุขจริงก็คือเวลาใจสงบนี้จะปรากฏความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึ่งความสุขที่ที่เราสามารถเรียกว่าเป็นของเราได้ความสุขที่เราสามารถควบคุมมังครับให้อยู่กับเราไปได้ตลอด อันนี้คือความสุขที่เกิดจากความสงบ พ, <c oughs> พอเราได้ความสุขอันใหม่นี้แล้วเราก็จะได้มีกำลังที่จะกล้าทิ้งความสุขแบบเก่าความสุขที่เราได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เราก็จะทิ้งได้ปล่อยวางได้ไม่ไปยึดไปถือว่าให้ว่าเป็นของเราเราไม่ต้องมีเขาเราก็อยู่ได้มีความสุขได้ ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบนี่คือขั้นแรกของการปฏิบัติต้องหยุดความคิดให้ได้หยุดความคิดแล้วก็จะทำให้ใจเรามีความสุขขึ้นมาพอใจเรามีความสุขแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปมีสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะความสุขที่เราได้จากความสงบนี้มันเป็นความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่ถาวร กว่าเป็นความสุขที่อยู่กับเราไปตลอดจะไม่มีวันจากเราไปถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันแล้วเราก็สามารถสร้างมันไปได้เรื่อยๆเวลาเราต้องการความสุขจากความสงบเมื่อไหร่เราก็ใช้สติหยุดความคิดต่างๆนั่งสมาธินั่งหลับตาเดี๋ยวๆห้านาทีก็ได้ความสุขแล้วได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จาก ซื้อของราคาแพงๆซื้อรถคันล้าสิบล้านยี่สิบล้านกว่าจะมีเงินซื้อรถสิบล้านยี่สิบล้านนี่ก็ต้องไปเนหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาตองมาถ้าเป็นแทบตายแล้วความสุขที่ได้มาก็มีความทุกข์ติดมาด้วยเดี๋ยวเกิดรถมันเสียขึ้นมาหน่อยก็ทุกข์ลวเกิดรถไปถูกใครเขาเอาตะปูมาขีดหน่อยเดียวมีรอยตำหนิหน่อยก็ทุกข์ละ แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีใครสามารถมาลบล้างมันได้ไม่สามารถมาทำให้มันทุกข์ได้เพราะมันเป็นความสุขที่อยู่ในใจเราเราควบคุมได้เรารักษาได้อันนี้เป็นจุดล่กของการเปลี่ยนการคิดเปลี่ยนทัศนคติเราต้องมีความสงบก่อนเมื่อเรามีความสงบเรามีความสุขในตัวเราแล้วทีนี้เราก็จะได้ มองความจริงได้มองความจริงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราเลยและความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันก็เป็นความสุขประเดียวประดาวเป็นความสุขที่ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องหมดไปถ้าเรามีความสุขในใจเราแล้ ว, ลวเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกใจเรา เราก็จะสามารถปล่อยวางได้ไม่ไปถือว่าเป็นของเราไม่มีความอยากที่จะได้มาเป็นของเราให้เป็นของคนอื่นไปหมดไม่ต้องการมีอะไรร่างกายนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นของเราทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็ไม่ถือว่าเป็นของเราเพราะเราไม่ต้องมีมันเราก็มีความสุขได้ เรามีความสุขจากความสงบแล้วเราไม่ต้องมีข้าวของเงินทองต่างๆเราไม่ต้องมีคนนั่นคนนี้มาคอยให้ความสุขกับเราเราไม่ต้องให้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเราก็เลยไม่ต้องไปถือว่าเขาเป็นของเราเพราะว่ามีหรือไม่มีก็เท่ากันมีกับไม่อยากจะมีมีแล้วกลับเป็นภาระต้องมาคอยดูแลรักษาไม่มีสบายกว่า มีรถก็ต้องคอยมาดูแลรถมีอะไรที่เป็นของเราเราก็ต้องคอยดูแลถ้าใช้รถของคนอื่นนี่ไม่ต้องดูแลแท็กซีน่นี้ต้องการจะใช้เมื่อไหร่ก็เรียกมาได้จะไปไหนมาไหนก็โทรเรียกมาแป๊บเดียวก็มาแล้วเดี๋ยวนี้ผ่านมือถือสบายกว่าไม่ต้องมาคอยหาที่จอดหาที่เก็บไม่ต้องไปคอยเติมน้ำมันไม่ต้องคอยเข้าอู่ซ่อมบารุง ไม่ต้องคอยล้างคอยเช็ดเยอะแยะไปหมดเนะี่ยพอมีอะไรเป็นของเราแล้วนี่มันเป็นภาระขึ้นมาทันทีพอมันไม่ได้เป็นของเรานะไม่มีภาระเลยสบายเนี่ยนี่แหละคือความจริงที่พวกเราไม่ยอมมองกันมันอยู่อยู่อยู่ตรงหน้าเราเนี้แต่เหมือนกับมีเส้นผมบังภูเขามีเส้นผมเส้นบางๆมาบางังความจริง เส้นผมเส้นนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นผิดจากความเป็นจริงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นว่าสิ่งที่เป็นของชั่วขาวว่าเป็นของถาวรเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราพอไปเห็นผิดปั๊บนี่มันผิดไปหมดเลยมันเลยทำให้ใจทุกข์ขึ้นมา นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องมาแก้กันถ้าเราอยากจะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้มันไม่ได้เกิดจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะมันเกิดจากความเห็นผิดของเราที่ไปเห็นว่าคนนั้นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นของเราเท่านั้นเองพอเรามาเปลี่ยนเสียได้มองมันว่ามันไม่ได้เป็นของเราแล้ว รับรองได้ว่าเราจะไม่ทุกข์กับมันเลยน่่งกายนี้เปลี่ยนมานี่อย่าไปมองว่าเป็นตัวเราของเราสิมองว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามองว่ามันเหมือนกับร่างกายของคนอื่นทำไมเราไม่ทุกข์กับร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเ้าตายเราไม่เดือดร้อนเลยแต่พอร่างกายของเราแก่เจ็บตายขึ้นมาเราเดือดร้อนขึ้นมาก็เพราะว่าเราไปหลงไปถือว่ามันเป็นของเรา ร่างกายของเรากับร่างกายของคนอื่นนี่เหมือนกันทุกอย่างนะไม่มีเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลมไฟเป็นของที่จะต้องเสื่อมหมดไปในที่สุดจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไป น, นี่คือทัศนคติใหม่ที่เราต้องมองให้เห็นมองว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังมองว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟ ถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วเราจะปล่อยแล้วเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายถ้าเราไปเห็นว่ามันเที่ยงเห็นว่ามันจะต้องอยู่ไปนา น, านๆอยู่อยู่กับเราไปเรื่อยๆเป็นของเราไปเรื่อยๆอันนี้แหละมันจะทำให้เราทุกข์กันเพราะมันจะไม่เป็นไปตามาที่เราต้องการนั่นเองอันนี้เป็นขั้นที่สองหลังจากที่เราได้ความสงบแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนความคิดมาคิดแบบใหม่ คิดแบบพระพุทธเจ้าคิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาอย่าไปคิดว่าเป็นของเราอย่าไปคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราอย่าไปคิดว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดต้องเปลี่ยนความคิดว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันจะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วแล้วเวลามันจากเราไปมันจะต้องทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปถือว่าเป็นของเรา เรารับรองได้ว่าเราจะไม่ทุกข์เราจะอยู่อย่างสุขอยู่อย่างสบายไปตลอดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายังมีอยู่ร่างกายเราก็ยังมีอยู่ทรัพสมบัติเข้าของก็ยังมีอยู่แต่เราจะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราไม่ได้ถือว่ามันเป็นของเราแล้วเราถือว่ามันจะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากมันไปมันจะไปเมื่อไหร่เราก็ยินดีให้มันไปเพราะเราไม่ต้องอาศัยมันแล้วถ้าเรามีความสุขภายในใจ ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากการเจริญสมัมมาทภาวนาทําใจให้สงบเราก็ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปและเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปด้วยเพราะเรารู้แล้วว่าการมีร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขและเราไม่ต้องจำเป็นจะต้องมีร่างกายเพราะใจของเรามีความสุขในตัวของมันแล้ว น, นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาเปลี่ยนทัศนคติด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสรงสอนคือให้ปฏิบัติส ม, มถะภาวนาหยุดความคิดแล้วก็วิปัสสนาภาวนาเปลี่ยนความคิดใหม่ถ้าเราทำได้เราก็จะได้กําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปใจของเราก็จะมีแต่ความสุข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 อิจิตังปฏตถิต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิตาโตสะเพปเรนตุสร้างกป่า จันโทปนะหราโสยธามณิโชติหระโสยธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีฤทธะนิจจังวุฒาปะจายโนจตารูธรมมวา อัธานติอายุวันโสุขังภาลัวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บุ๊กเข้ามาสามร้อยเก้าส5บอ็ดสองสี่ห้าวิทยุออนไลน์สสเอ็ด รับฟังข้างบนนี้แปดสิบแปดคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบห้าครับใครมีคำถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แล้วจะอ่านคำถามให้ทางบ้านมีใครส่งคำถามเข้ามาด้ยัง คำถามจากคุณสุภัตราเมื่อวานลูกได้มีโอกาสไปกราบพระอาจารย์จิตของลูกมีความปิติยินดีอย่างที่สุดเพราะส่วนใหญ่ได้ฟังเทศจากทางยูทูบที่อเมริกาค่ะลูกได้เกิดความวิตกกังวลอย่างมากเพราะได้หยิบหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อาคารหนังสือเพื่อนํามาศึกษาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติกลัวว่าจะทําผิดศีลเพราะไม่ได้กล่าวขออนุญาตกับพระอาจารย์โดยตรงลูกได้ทําผิดศีลไหมคะและควรทําอย่างไรไม่หรอกหนังสือที่อยู่บนนี้ก็แจกใครต้องการก็หยิบไปได้เลยไม่ต้องขออนุญาตเป็นหนังสือของญาติโยมศรัทธาญาติโยมช่วยกันบริจาคพิมพ์หนังสือกันขึ้นมา การหยิบหนังสือจากที่นี่ไปไม่ถือว่าเป็นการผิดศีใแตอย่างใดคำถามต่อไปจากคุณมานีจะต้องทำใจวางใจแบบไหนที่จะอยู่ร่วมกับคนพาลเพราะรู้สึกว่าไม่ร่วมสร้างบุญแล้วยังคอยขัดขวางอยู่ตลอดเจ้าคะ่ะก็คิดว่าอยู่กับดินน้ำลมไฟไหมอยู่กับฝนฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศ ดินฟ้าอากาศเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาฝนจะตกก็ตกแดดจะออกก็ออกเราก็อยู่ของเราไปเขาก็อยู่ของเขาไปก็เท่านั้นเองถ้าหลีกได้ก็หลีกหลบได้ก็หลบถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็อยู่กันไปอย่าไปมีปฏิกิริยาต่อกันต่างฝ่ายต่างอยู่ห้ามเขาไม่ได้ เขาเป็นอย่างไรก็ต้องปล่อยเขาเป็นไปคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามแม่กับพ่อพูดคุยกันจะทะเลาะกันแม่ไม่ฟังเหตุและผลเชื่อความคิดของตัวเองไม่ให้อภัยในเรื่องที่ผ่านมาจะชอบพูดเหมือนหยิบหนังเก่ามาฉายและบ่นทุกครั้ง ก็ยังคุยและจมกับอดีตที่ผ่านมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นอะไรจากคนในครอบครัวบางทีก็เข้าใจที่ทุกคนต้องมีเพื่อนบ้านแต่พอไปพูดก็นินทากับคนอื่นเห็นคนนั้นคนนี้เขามีก็มาเปรียบเทียบกับพ่อและคนในครอบครัว บางทีบอกให้พูดคุยกันดีๆบทสรุปคือโกรธไม่ฟังความคิดเห็นลูกๆโดนไปด้วยเป็นประจำมีวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดีคะหากจะไปบอกกับแม่ก็หาว่าสอนอีกเราแก้เขาไม่ไดเ้เราต้องแก้ที่ตัวเราเราอย่าไปยินดีร้ยายกับการพูดของเขาแล้วกันเขาจะพูดเขาจะพูดอย่างไรทาอย่างไรเราห้ามเขาไม่ได้ เราก็ทำเป็นเอาหูเป็นาเอาตาไปไล่กันแล้วกันปล่อยเ็าพูดไปถ้าเราไม่อยากฟังเราก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ไปล่อยเขาพูดให้พอแล้วเดี๋ยวเ้าเหนื่อยเขาก็หยุดเองคำถามต่อไปจากคุณซอ ถ้าเราทำบุญให้แก่ญาติพี่น้องที่ไม่ค่อยมีอันจะกินไม่ว่าจะเป็นเงินหรือจะเป็นของใช้ต่างๆก็ตามเราอธิฐานในใจว่าขอให้เราเกิดชาติใดพบใดก็ตามให้เราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่งๆขึ้นไปจนกว่าจะปรินิพานด้วยเถิดถือว่าเราขอมากเกินไปไหมเจ้าคะคือมันขอแบบไม่มีเหตุมีผลไงเพราะว่า สิ่งที่เราขอมันสิ่งที่เราทํานี่มันไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้เราได้สิ่งที่เราขอเราทำบุญทําทานแล้วเราขอให้ได้มาพบกับพระพุทธเจ้านี่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลการจะพบกับพระพุทธเจ้าได้หรือไม่นี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราไปขอได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แล้วแต่โอกาสโอกาสจังหวะ เวลาเรามาเกิดเรามาเกิดในช่วงที message, людей, ่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดหรือเปล่าถ้าเรามาเกิดในช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดก็ไม่มีพระพุทธเจ้าอย่างช่วงนี้เรามาเกิดก็ไม่มีพระพุทธเจ้าแต่อย่างน้อยเรายังมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่คือมีพระธรรมคําสอนและมีพระอริยสงสาวกงคราวหน้าเรากลับมาเกิดอาจจะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้ นนเรื่องนอนลนี้เป็นเรื่องที่มันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะไปขอได้เราก็สิ่งที่เราควรจะทำนอนนี้ก็คือเมื่อเราเจอแล้วเราดีบตักตวงผลประโยชน์ให้เต็มที่เสียตั้งแต่บัด น, นี้ดีกว่าเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่จนกทำให้เราไม่ต้องรอไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป เพราะว่าเราสามารถเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ในใจของเราได้พอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วทีนี้เราจะไปเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้างนอกหรือไม่ก็ไม่สาคัญคำถามต่อไปจากคุณบีช่วงเดือนที่แล้วี่ฉันป่วยไม่สบายปวดท้องบ่อยเป็นเป็นหายหายได้ไปพบแพทย์สองกล้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ ผลออกมาว่าสาเหตุที่ทำให้ปวดท้องนี้เป็นไปได้ที่จะมีการติดเชื้อหรือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหมอจึงขอตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมและต้องรอผลอีกสองสัปดาห์ระหว่างที่รอดิฉันกลัวมากกลัวเป็นมะเร็งจึงได้รีบทำบุญสวดมนต์ทุกวันอธิษฐานขอให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนขอให้ผลเป็นปกติหากและได้สวดมนต์ขอพรพระว่าหาก ผลชิ้นเนื้อปกติจะไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตซึ่งตอนนี้ผลตรวจออกมาแล้วว่าปกติดิฉันกินมังสวิรัตอยู่ประมาณ1 1สัปดาห์และดิฉันอยากผลนผันจากไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิต เป็นขอละเว้นจากสัตว์ใหญ่งดกินหมูเนื้อวัวเนื้ อ, อไก่ตลอดชีวิตแต่ขอกินปลากินกุ้งและสัตว์เล็กแทนจะบาปไหมเจ้าคะต้องทำอย่างไรรู้สึกไม่สบายใจที่ไม่ได้รักษาคำพูดพระท่านจะโกรธไหมเจ้าคะออมันท่านไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่เราเรากหกตัวเราเองพอเรากลัวอะไรขึ้นมาเราก็โหยจะจะทาอย่างนู้นทำอย่างนี้พอความกลัวหายไปก็ ก็ความความโลภมันก็กลับเข้ามาอกิเลสก็กลับเข้ามาอยากจะกินอีกเดี๋ยวต้องเจ็บอีกรอบหนึ่งเราถึงจะรู้ว่าเป็นยังไง <laughs> คือขอพวกนี้ข อ, อยังไงมันก็ขอไม่ได้หรอกมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลได้กินมังสวิรัตแล้วไม่กินมังสวิรัตมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องเจ็บไา้ได้ป่วยกันทุกคนต้องตายกันด้วยกันทุกคน นันจะกินไม่กินมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงอะไรเดี๋ยวก็ต้องเจ็บอีกรอบหนึ่งแล้วอีกรอบหนึ่งไปขอทีนี้ก็อาจจะไม่ได้ดังที่ขอก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลนั่นเองการขอให้คราวที่แล้วก็ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลการขอของเราไ ม, ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เราไม่ได้เป็นเป็ น, นโรคร้ายอะไรต่างๆมันไม่เกี่ยวกัน คำถามต่อไปจากคุณนัทถ้าผมออมเงินด้วยการนำเงินไปซื้อสลากออมสินถือว่าเป็นการพนันและผิดศีลหรือไม่ครับไม่หรอกก็เป็นการออมสินคืมันก็บอกแล้วออมสินจะเป็นการพนันได้ยังไงเพียงแต่ว่าเขาให้ ม, มีมีโอกาสที่จะได้ผลมากผลน้อยมีการเสี่ยง คำถามหมดแล้วเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งคำถามคงจะพิมพ์กันเข้ามาอยอ่เรื่องขออะไรต่างๆนี้ขอให้เราดูเหตุดูผลว่ามันมันเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่า ำถามจากข้างบนนี้นะครับตอนนั่งสมาธินา น, านมีน้ำลายจะต้องกลืนจะทำอย่างไรให้นั่งได้นานๆโดยไม่มีน้ำลายออกมาครับอย่าไปสนใจมันจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปให้อยู่กับการดูลมหรือพุทโธไปเราภาวนาแบบไหนเราก็อยู่กับมันไปอย่าไปสนใจกับเรื่องของทางร่างกาย บางทีร่างกายคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็อย่าไปเก่าปล่อยมันคันไปถ้าเราไม่ไปสนใจเดี๋ยวว่าการต่างๆเอันนี้มันจะหายไปถ้าอยู่ก็ถ้าเราพุโทโธก็พุทอยู่กับพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับอะไรถ้าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปอย่าไปสนใจกับอะไรไม่ว่ามีอะไรปรากฏให้เรารับรู้ทางร่างกายหรือทางใจก็ตามร่างกายอาจจะรู้สึกพองขึ้น ใหญ่ขึ้นลรือลดเล็กลงอันนี้ก็เป็นความรู้สึกหลอกเราไปน้าลายมันจะไหลมันก็หลอกเราไปพอเราปให้ความสำคัญมันยิ่งไหลใหญ่พอมันคันเราแบ่้ความสำคัญมันยิ่งคันใหญ่แต่ถ้าเราไม่ไปสนใจอยู่กับพุทธโธไปอยู่กับลมไปเดี๋ยวมันก็หายไปคำถามต่อไปจากคุณสถาพร ญาติมิตรแต่ละคนล้วนมีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันไปส่วนผมปรารถนา น, านิพพานเราจะปฏิบัติต่อยาตพี่น้องอย่างไรครับ อ, อ๋อมันไม่ใช่เรื่องของเราต้องไปปฏิบัติอะไรกับเขาชีวิตของเราเราต้องปฏิบัติกับชีวิตของเราชีวิตของเขาเขาต้องปฏิบัติกับชีวิตของเขามันคนละเรื่องกันเหมือนขับรถคนละคันกัน เขาจะขับไปทางเหนือก็เรื่องของเขาเราจะขับไปทางใต้ก็เรื่องของเราชีวิตของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้รถที่กําลังวิ่งไปทางอื่นให้ไปกทางเดียวกับเราได้เวลาเราขับรถไปนี้เราคอยสั่งรถคันนั้นคันนี้บอกเฮ้ย hey, ตามมาตามมาอย่าไปทางนู้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้านะ อันนี้ก็เหมือนกันเราจะไปนิพพานล้วก็ไปของเราสิไม่ต้องไปดึงให้คน<ม>อืนน่นเข้าไปคนอืนน่นเขาจะไปนรกก็ให้เขาไปนรกเขาจะไปเวียนว่ายตายเกิดก็ให้เขาไปเวียนว่ายตายเกิด เ, เ, เ, เป็นเรื่องของเขาไม่เไม่เห็นว่าเราจะต้องไปปฏิบัติอะไรกับเขา <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณวิไลการภาวนาพุทโธในใจ ร, วรวัวๆแต่ความคิดยังแทรกเข้ามาเราก็รู้ว่าแทรก แต่ไม่ได้ควบคุมหรือเราควรข่มไม่ให้ความคิดแทรกแล้วพุโทโธต่อเจ้าคะ อ, อ๋ออย่าไปสนใจใหม่ๆมันก็ถ้าสติเรายังไม่ดียังไม่มีกำลังมากความคิดมันก็ยังปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเราอย่าไปให้ความสำคัญกับมันให้ความสำคัญอยู่กับคำบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปอยากให้ความคิดหายยิ่งอยากมันยิ่งมาใหญ่อย่าไปสนใจท่านนั้นให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียว เดี๋ยวต่อไปพุโทโธมีกําลังมากขึ้นสติมีกําลังมากขึ้นความคิดมันก็จะเบาลงไปแล้วเดี๋ยวก็หายไปคําถามจากผู้ฝากถามเพื่อนไปกรีดยางแล้วโดนผีหลอกเจ้าคะ่ะสามารถทําอันตรายต่อเพื่อนได้แบบนี้เราควรจะทําอย่างไรหรือจะปกป้องตัวเองได้อย่างไรบ้างเจ้าคขาก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่มีก็ไม่ต้องไปกังวล คำถามต่อไปจากคุณพัชชาการที่เรามีอคติกับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะเป็นบาปในตัวเราไหมเจ้าคะเราก็จะไม่ได้รับจากพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะเราจะไม่ไปหาเข้าไปหาเราก็จะไม่ได้เรียนรู้จากท่านเท่านั้นเองขออภัยครับมีอคติกับพระที่ปฏิบัติไม่ชอบครับอ๋อ ก็ดีเมื่อมีอคติเราจะได้ไม่ไปหาเขาเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาก็จะได้ไม่ต้องมาทำอะไรมาสอนในสิ่งที่ไม่ดีให้กับเราคำถามต่อไปจากคุณรัตนัน การที่เราเห็นทุกในชีวิตประจำวันแล้วเราน้อมดูการเคลื่อนไหวในจิตทุกขณะเพื่อเตือนตัวเองว่าทุกๆุกอย่างมีขึ้นลงจิตมันเศร้าทำอย่างไรดีคะเพราะหนักที่ใจมันแว็งแข็ ง, ง, งเจ้าค่ะอ๋อก็ต้องหยุดหยุดหยุดใจตอนนี้ใจกำลังผลิตความเศร้าเราก็หยุดมันได้ทำใจให้สงบแล้วความเศร้าก็จะหายไป ยิ่งดูมันยิ่งเศร้าใหญ่เพราะการดูนี่บางทีเป็นการส่งเสริมให้มันผลิตความเศร้าขึ้นมามากขึ้นงั้นอย่าไปดูเวลาจิตเศร้าเราต้องมาทำจิตให้สงบพอจิตสงบแล้วความเศร้าก็หายไปคำถามต่อไปจากคุณธัญรัตน์ อยากไปทำบุญมีจิตศรัทธาแต่ไม่มีทุนมีปัจจัยรู้สึกไม่สบายใจเหมือนอยู่บ้านแล้วไม่ได้บุญแต่สวดมนต์ตักบาสนั่งสมาธิสงบบ้างไม่สงบบ้างจะได้บุญไหม่เจ้าคะได้เราก็ทำบุญในส่วนที่เราทำได้บุญมีหลายชนิดด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องทำด้วยเงินด้วยทองอย่างเดียว ทำความดีได้หลายรูปแบบอยู่กับบ้านอย่าไปทะเลาะเขาคนนั้นคนนี้ก็เป็นบุญละทำใจให้สงบอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปทำผิดศีลมันก็เป็นบุญนะคำถามต่อไปจากคุณลักษีนาคุณพ่อของหนูป่วยคุณหมอสั่งให้งดน้ำอาหารแต่พ่อของหนูมาขอหนูกินหนูไม่ให้จะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปแล้วก็ เป็นเรื่องของการรักษาคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามหัวหน้าชอบเอาแต่เรื่องเก่าๆที่เขาไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเรามาพูดถึงไม่เคยหยุดถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่ชอบเรื่องนานๆแค่ไหนก็เอามาพูดถึงเสมอควรวางใจอย่างไรดีเจ้าคะ่ะก็ปล่อยเขาพูดไปนะมันปากของเขาเราไม่มี อำนาจที่ไปหยุดเขาได้ก็ต้องปล่อยเขาพูดไปเหมือนฟ้าล่องเหมือนเสียงฟ้าล่องมันจะร้องก็ปล่อยมันร้องไปเราก็อยู่ของเราไปถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาไม่พูดมันก็ไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่เราไปอยากให้เขาไม่พูดมันก็เลยทำให้เราไม่สบายใจเท่านี้คำถามต่อไปจากคุณวิโรธการที่กินเนื้อสัตว์หรือไม่กินเนื้อสัตว์นั้น สัมพันธ์กับการบรรลุธรรมหรือไม่ครับไม่สัมพันธ์การกินเนื้อสัตว์หรือไม่เนื้อสัตว์ก๋วต า, ายที่เนื้อสัตว์ที่เรากินไม่ได้ตายจากการกระทําของเราหรือคาสั่งของเราก็แล้วกันถ้าเกิดจากการกระทําหรือเกิดจากการสั่งของเรานี้มันจะเป็นอุปสรรคมันจะทําให้เราศีลไม่บริรสุทธิ์เมื่อศีลไม่บริสุทธิ์การปฏิบัติก็จะไม่คืบหน้า แต่ถ้าเป็นการกินเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่ามาแล้วโดวยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรคำถามต่อไปจากคุณวิไลผู้ป่วยที่นอนติดเตียงแต่ไม่รู้สึกตัวเปิดธรรมะให้ฟังจิตข้างในจะรับรู้ไหมเจ้าคะคงไม่รู้หรอกเพราะเหมือนคนนอนหลับเนี่ยคนนอนหลับจะไม่รับรู้อะไรทางร่างกาย คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเมื่อเราทำชั่วแล้วรู้ว่าชั่วแต่เรายังฝืนทำมีวิธีการอย่างไรให้เราเลิกทำชั่วครับเราก็ต้องลงโทษตัวเราเองเลเช่นห้ามกินข้าวสัก3ามวันทําอะไรมีบทลงโทษตัวเราเองมันถึงจะได้จามันจะได้เข็ดนะถ้าไม่มีบทลงโทษมันก็ไม่เข็ดไม่จำ ถ้าเราต้องการให้เราดีขึ้นเราก็ต้องยอมเจ็บตัวบ้างยอมอดบ้างเพื่อที่เราจะได้ลงโทษตัวเราเองและเราจะได้ไม่กล้าทำอีกเนี่ยเราต้องมีความเด็ดเดี่ยวในเรื่องนี้การลงโทษตัวเองนี่เป็นของยากแต่ถ้าไม่ลงโทษมันก็จะไม่จดไม่จำก็ต้องให้คนอื่นเขาลงโทษแท น, นต้องเดนเขาจับเราไปขังคุกขังตาราง มันก็จะทาให้เราเกิดอาการเคดหลับเคนเ็ดหลับ ข, ข, ขึ้นมาได้หมดแล้วเนะ น, นี่ยเดออยวนอนรอยสักนาทีสองนาทีดูเรื่องการขอนี่ขอให้เราคิดก่อนว่าการของเรามันเป็นเหตุหรือไม่ถ้าไม่เป็นเหตุผลก็ไม่เกิดขึ้นมา เช่นเราอยู่เฉยๆเราเป็นชาวนาแล้วเราไม่ปลูกข้าวนี่เราจะขอให้มีข้าวงอกขึ้นมาในนาเองนี่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าอยากได้ข้าวในนางอกขึ้นมาเราก็ต้องปลูกข้าวถึงจะได้งั้นอย่าไปขอผลมันผลมันไม่เกิดต้องไปขอเหตุดีกว่าขอทําขอเช่นเราอยากจะอะมีข้าวเราก็ต้องขอไปทํานา ขอไปปลูกข้าวพอเราได้ทำนาได้ปลูกข้าวเดี๋ยวข้าวมันก็งอกขึ้นมาเองเนี่ยเนขออะไรต้องดูว่าสิ่งที่เราขอนะั้นมันเป็นเหตุหรือเปล่าถ้าไม่เป็นเหตุขอไปก็เสียเวลาเปล่าๆอาจจะได้หรื อ, อแต่การได้ไม่ได้เป็นเพราะว่ามันเป็นเหตุมันเป็นมันเป็นความบังเอิญมันจะเกิดอยู่แล้วของเราจะได้อยู่แล้วเราจะขอหรือไม่ขอมันก็ได้อยู่แล้ว แต่พอดีเราไปขอมันเราก็เลยไปคิดว่าขอเราได้ของนี้มาพราะเราไปขอคำถามจากคุณสิรินโยมสะสมเงินไว้พอสมควรเพื่อจะลดงานลงจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมและละักละทางโลกได้มากขึ้นแต่ถ้าโยมลดงานลงจะมีผลกระทบ กับเจ้านายและผู้ร่วมงานบางส่วนโยมจะบาปไหมเจ้าคะถ้าตัดสินใจเห็นแก่ตัวด้วยวิธีนี้ออไม่บาปหรอกมันเป็นเรื่องสิทธิ์เป็นสิทธิของเราเวลาเขาไล่เราออกบาปหรือเปล่าถ้าเกิดเขาจะเป็นจะต้องลดพนักงานเขาก็ไล่เราออกได้นแต่ละคนเป็นเรื่องของการกระทําเหล่านี้มันเป็นเรื่องของเหตุของเหตุผลของแต่ละคนมันไม่เป็นการกระทําบาปแต่อย่างใดถ้าเขาต้องลดคนงานเพราะ รายได้ไม่ดีถ้าไม่ลดคนงานรายจ่ายมันก็มากมันก็จะขาดทุนเขาก็ต้องลดคนงานอย่างนี้เขาก็ไม่บาปเราอยากจะลดการทำงานของเราให้น้อยลงเพราะเราไม่ต้องการรายได้มากเราก็ลดทำงานเราลงเขาก็หาคนอื่นมาแทนเราก็ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายแต่อย่างไคำถามต่อไปจากคุณวิไล พระอาจารย์บอกว่าหากเราไม่มีส่วนในการฆ่าไม่บาปหนูขายผ้าใหม่แท้รับผ้ามาที่เป็นผ้าสําเร็จรูปก็ไม่บาปใช่ไหมเจ้าคะนี่เป็นสิ่งที่หนูค้าขายแล้วก็กังวลว่าเราบาปหรือไม่เพราะทําจากหนอนไหมถ้าก็มาขายแล้วเ ร, เราซื้อมาต่อนี่ไม่ไมบาปแต่ถ้าเราไปสั่งเขาอาจจะบาป ก็ระเรามีส่วนให้เขาไปทำํำแต่ถ้าเขาทาเสร็จมาแล้วแล้วเขาเอามาส่งมาขายเราถามว่าอยากจะซื้อไหมเราซื้อได้อย่างนั้นแต่อย่าไปสั่งเขาโล่งหน้าว่าอยากจะได้ผ้ากี่ผื น, ผนกี่ผืนเพราะมันเป็นการบอกให้เขาไปทําบาปแต่ถ้าเขาทามาเสร็จแล้วเขาเอามาถามเราว่าต้องการไหมถ้าเราต้องการก็ซื้อได้อย่างนี้ไม่บาปคําถามต่อไปจากคุณพีเค หยอดกระปุกเพื่อทำบุญทุกวันเมื่อมีเวลาไปถวายเงินไปถวายถือว่าได้ทำบุญทุกวันไหมครับได้ก็ถ้าเราไม่เอาเงินในกระปุกนั้นอองมาใช้คำถามต่อไปจากคุณจตุรน ผู้ที่มีบุญเมื่อตายไปแล้วสามารถเลือกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาได้ใช่ไหมครับจะเลือกอย่างไรดีที่สุดครับเมื่อถึงเวลานั้น อ, อ๋อมันเลือกไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องของ เ, ออเรื่องของบุญของบาปมันจะมีช่องของมันถ้ามีบุญขนาดนี้มันก็จะเข้าช่องนี้มีบาปขนาดนี้มันก็จะเข้าช่องนี้ไปตามตามกฎแห่งกรรม ไม่มีใครไปเลือกได้เลือกได้ตอนที่กำเลือกทำบุญเลือกทำบาปได้แต่พอถึงเวลาที่จะไปรับผลบุญผลบาปนี้กฎแห่งกรรมมันจะเป็นตัวที่จะม า, เ, าเลือกให้เราเองคำถามต่อไปจากคุณกำพลถ้าเราเห็นคนอื่นมีปัญหาหรือทุกข์เราเอาคาสอนเอาธรรมะไปสอนเขาเขาจะได้บุญไหมครับ ถ้าเขานับคำสอนของเราไปปฏิบัติดับความทุกข์ได้เขาก็ได้บุญนะคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเมื่อเราติดการพนันอย่างหนักแล้ววันหนึ่งเราเลิกเล่นการพนันอย่างถาวรแต่วันนั้นเป็นวันที่เราหมดตัวพระอาจารย์มีวิธีการอย่างไรให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้ครับก็คิดว่าเราเพิ่งเราเกิดใหม่ก็แล้วกัน ก็เปลี่ยนชีวิตเก่าเราตายไปแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่อย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงฐานะการเงินการทองที่เราเคยมีอยู่เราก็มาเริ่มต้นใหม่มาหางานใหม่หาเงินใหม่คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม การกระทําผิดศีลข้อสามกรณีที่มีการพูดคุยทํานองชู้สาวและมีการสัมผัสเช่นการจับมือถือแขนแต่ยังไม่ได้ล่วงเกินถึงพรหมจรรย์ผิดศีลข้อสามแล้วหรือไม่เจ้าคะยังไม่ผิดเต็มที่นะมันกำลังเหมือนกําลังเข้าสู่ระบบเข้าสู่การกระทําที่ผิดเพราะมันมักจะมีการต่อไปเรื่อยๆเหมือนไฟ ไฟพอมันเริ่มลุกแล้วตอนต้นมันยังไม่มันลุกยังไม่แรงแต่ถ้าปล่อยมันลุกไปเรื่อยๆ เ, เ, เดียเด๋ยวมันก็จะแรงขึ้นมาทางทางที่ดีอย่าไปอย่าไปจุดไฟดีกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวกับผู้อื่นคำถามต่อไปจากคุณธัญรัตน์สะสมบุญมาตั้งแต่เด็ก ดูแลสงฆ์จนโตมีครอบครัวพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญแต่ชีวิตแย่ลงมันเป็นกรรมเก่าหรือว่าบุญมันยังไม่พอเจ้าคะอ๋อเรื่องของบุญไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความร่ำรวยหรือความยากจนเรื่องของบุญนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจบุญนี้จะทำให้จิตใจมีความสุขจิตใ จ, จเจริญจิตใจสูงขึ้น จากมนุษย์ไปเป็นเทวดาเป็นต้นแต่ฐานะการเงินการทองนี้มันไม่ได้อยู่ที่เรื่องบุการกระทาบุญการเงินการทองอยู่ที่การรู้จักบริหารเงินนะบริหารทองหรือเปล่ารู้จักหาเงินหรือเปล่ารู้จักเก็บเงินหรือเปล่ารู้จักใช้เงินหรือเปล่าอันนี้เป็นคนละเรื่องกันไม่ใช่เรื่องของบุญคําถามต่อไปจากคุณริกกี้ หากสติยังไม่ดีใช้คำภาวนาพุทโธแล้วยังห้ามความคิดไม่อยู่เราเปลี่ยนมาใช้คำภาวนาว่าพุทธังสรณนังขะฉามิธรมมังสรณนังขะฉามิสังคังสรณนังขะฉามิพอเริ่มสงบค่อยมาเปลี่ยนเป็นพุทโธแบบนี้ได้ไหมครับได้ได้ขอให้มันหยุดี็ได้วิธีใดวิธีหนึ่งบางครั้งอาจจะต้องสวดมนต์ยาวๆไปก่อน แล้วพอมันเริ่มพอมันความคิดมันจางหายไปค่อยกลับมาพุโทโธหรือกลับมาดูลงหายใจต่อก็ได้ <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณปราโมดวิธีแก้หรือทุเลาความคิดที่วนไปกับบาปกรรมในอดีตซึ่งแก้ไขไม่ได้แล้ว พอวิธีการสร้างกำลังใจในปัจจุบันด้วยครับก็มันจเจริญสติใช้พุทธโธพุทธโธบริกรรมพุทธโธไปเพื่อจะได้หยุดความคิดเก่าๆพอมันเริ่มคิดถึงอดีตก็พุทธโธพุทธโธพุทธโธไปมันก็จะหยุดได้แล้วพอมันหยุดแล้วใจก็จะเบาใจจะสบาย <c oughs> ใจก็จะมีกำลังขึ้นมาหมดแล้วนะครับ